เบื้องต้นเวลาเรานั่งสมาธิก็แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแต่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ไปคิดแล้วจิตใจก็ไปคิดแล้วไปคิดรู้ทัน ดู้ทนความคิดปุ๊บกลับมาดูใจถ้าเราไม่กลับมาดูใจนี่มันจะเกิดอาการปล่อยตัวปล่อยใจใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธาน ใจวิ่งไปคิดรู้ทันรู้ทันปุกบอย่าพิ่งทิ้งมันกลับมาดูที่จิตใจไปเลยไงบางทีแวะกัหความคิดนั้นจิตตกเห็นสภาพโม่งจิตมันตกความเศร้าหมองเป็นสิ่งแปลกปลอมแทรกเข้ามาในจิตจิตเดิ ม, ดมไม่มีความเศร้าหมอง นี่สิ่งแปลกปลอมไม่ใช่เราเห็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นนึกคิดตามความคิดเมื่อกี้นี้ให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมให้ความสนใจอารมณ์ความเศร้าหมองเกิดขึ้นดูมันเป็นยังไงอ๋อแปลกปลอมเข้ามา เมื่อกี้ไม่เป็นแบบนี้พอเห็นมันมันก็จางคลายดับไปตรงนี้ก็จะเดินพิพิาสนาแล้วหลังจากนั้นมันก็มาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยรู้สึกไป ลองนั่งอยู่ก็รู้สึกได้มีน้ำหนักมีแรงกดขามันทับกันอยู่ก็รู้สึกได้ทับกันมีความรู้สึกตรงนั้นโดนกดตรงนี้ไม่โดนกดรู้สึกได้เนี่ยแวบๆแบบสัญญามาแล้วสัญญาเกิดขึ้นรู้ทัน รู้ทันปุ๊บ ก, กลับมาดูใจเราไปเลยไงบางทีสัญญาก็สร้างความสุขให้เราจิตใจมีความสุขก็เห็นอ้อมีความสุขแล้วความสุขเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอีกแล้วคิดปกติแล้วสัญญาบางทีสร้างทุกข์ให้กับเรา ก, กลับมาดูใจเราออสัญญาเกิดขึ้นปุ๊บความทุกข์ก็แทรกเข้ามาในจิตใจเราเป็นสิ่งแปลกปลอมอีกแล้วเราทำอยู่แค่นี้แหละ จิตจค่อยๆตั้งมั่นขึ้นทำไมตั้งมั่นเพราะมันไม่หลงไปออกนอกไม่หลงติดอารมณ์ไม่หลงติดความคิดแรกๆทำยากหน่อยฟังๆดูเหมือนง่ายแต่ยากแต่ถ้าเป็นแล้วง่าย ตรงนี้เป็นศิลปะท้อถอยไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้เหมือนเราจะสนได้เข้ารูเข็มเราก็หมั่นแทนหมั่นแทน แทงทีแรกก็ไม่เข้าทุกคนเนะ่ะมันแทงจนมันรู้ว่าโอ้ต้องแทงอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เขาเรียกว่าทำจนเป็นว่าสีชำนานกว่ามันจะชำนานได้มันต้องไม่ชำนานก่อนมันต้องไม่เป็นก่อนทุกคนเล ไม่มีใครบอกปุ๊บทาเป็นปั๊บเลยโบอาจจะมีแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ผมด้วยอันนี้ต้องรู้ว่าทุกความชำนาญในการเห็นในการรู้ได้ใช้เวลามาก แต่พอชำนาญแล้วเนี่ยสบายแล้วแค่อย่าประมาทอย่าประมาทเหมือนกระต่ายนึกว่าชำนาญแล้วเก่งแล้วนอนเล่นฟุ้งซ่านทำอะไรไร้สาระไปเที่ยวไปเล่นส่งออกนอกทำร้ายตัวเองไม่รู้เรื่อง ตอนนั้นเราเหล่านะักปฏิบัติธรรมทุกคนต้องเข้าใจว่ากว่าจะชำนาญมันต้องเริ่มจากไม่ชำนาญก่อนแล้วไม่ต้องดูคนอื่นคนอื่นเ็าแทงได้เข้าเข็มได้แล้วเรายังไม่ได้โอ้แย่จังเนี่ยคิดเป็นคน คิดอนาคตไม่ได้เข้าใจว่าเรามีแค่หน้าที่แทงทุกวันแทงเข้าไม่เข้ากีกเรื่องหนึ่งแต่ได้ทําหน้าที่แล้วเรียกว่าเสร็จทุกวันทําหน้าที่เสร็จทุกวันผลจะเป็นไง ไม่ต้องสนใจเหมือนท้าพุทธทาสสร้างหลวงหมอาล้วสพทางบิญญาณไม่เสร็จสักทีคนข้างนอกมองไปถามท่านว่าเมื่อไรจะเสร็จท่านบอกเสร็จทุกวันนี่นักปฏิบัติธรรมเราเป็นแบบนี้เสร็จทุกวันคืออะไรได้ทำหน้าที่แล้ว พอแล้วถ้าวันไหนไม่ทําหน้าที่สิค่อยร้อนลนแต่ถ้าทําแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่ตัวเองคาดหวังฟังมาหนังสือบอกมาครูบาอาจารย์บอกมาอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราไม่ใช่มีหน้าที่หวังผลหน้าที่เราเมียที่สร้างเหตุ แทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปทุกวันครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองเหมือนกันต้องทำเหมือนกันทรมานก่อนเหมือนกันท้อแท้เหมือนกันทุกเหมือนกัน คนมีบาร ม, มีมากสุดอย่างพระพุทธเจ้ายังต้องทุกต้องหกปีไปทำทุกขละกิริยาทำผิดอยู่หกปีไม่มีคนสอนอยังทำแล้วเรามีคนสอนแล้วแต่แค่ยังทำไม่ได้ดีเท่าไหร่เราก็จะท้อแท้อะไรขนาดนั้นอย่างพระพุทธเจ้าไปทำทุกขละกิริยาอยู่หกปีเพราะเคยไปปรามากพระพุทธเจ้า องค์กรหรือปาาธพระอริยะองค์ก่อรจาไม่ได้ก็เป็นกรรมต้องติดไปทําทุกขลักกิริยาอยู่6ปีเพราะนั้นเราทุกคนมีกรรมเราหนีกรรมไม่ได้ไปด่าใครไว้ปามาธใครไว้ ไปพูดไม่ดีกับคนธรรมดาอย่งมีกรรมเลยเอาอะไรกพูดกับพระพุทธเจา้าพูดกับภาริยะไม่ดีไม่ได้เรื่องหลอกเด็กเรื่องกรรมธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีกรรมก็ต้องรับกรรมแต่ถ้าเรา ไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของเหตุปัจจัยแบบนี้เราก็โวแต่ทำไมยังไม่ได้ทำไมยังไม่ได้สร้างกรรมใหม่คืออะไรกรรมแห่งความกรรมังวลอกุศ ล, ลกรรมเกิดขึ้นในใจเนี่ยเราก็โดนหลอกอีกโดนความเป็นคนเนี่ยมันหลอก หลอกว่าทำไเรายังทำไม่ได้มันมีเราเห็นไหมอย่าให้อวิชามันหลอกสร้างเราขึ้นมาทำหน้าที่เลยเถอะทำหน้าที่นี่แหละกรรมเก่าไม่นด้ค่อยๆล้างไปล้างไปไม่สร้างกรรมใหม่ แล้วพอวันนึงมันพลิกขึ้นมาไม่มีใครบอกได้คำว่าพลิกไม่ได้ว่าอู้พลิกเป็นพระอริยบรลลุกธรรมไม่ใช่นะพลิกจากความไม่เข้าใจเป็นความเข้าใจขึ้นมาในแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันก็มหัศจรรย์มากแล้วเนี่ยแต่มันไม่มีใครบอกได้ว่าจะพลิกตอนไหนเหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนั่งใต้ต้น สีมหาโพธิ์ก็คืนเดียวก็พลิกจากปุถุชนก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเราไม่รู้หรอกวันไหนไม่รู้หรอกเวลาไหนความเข้าใจต่างๆในธรรมะก็พลิกได้เสมอพลิกปึ๊กเข้าใจพลิกเข้าใจรอหน่อยอดทนให้มันมากคาดหวังให้มันน้อย ดีที่สุดคือไม่ต้องมีความคาดหวังเลยชีวิตเป็นแค่ขณะขณะขณะหมดไปหมดไปหมดไปอย่าต่อเติมชีวิตให้มากกว่าขณะนี้จะเอาอนาคตมาต่อให้ขณะนี้่าเอาอาดีตมาต่อให้ขณะ น, นี้ถ้าต่อกันตลอดมันก็ไม่มีปัจจุบัน มันก็เป็นอดีตเป็นอนาคตที่ผมเคยบอกว่าเป็นท่อเดียวกันท่อแห่งการเวลาแล้วสานความทุกข์ให้ตอนนี้นค่อยๆทําไปทําหน้าที่แทงได้เขาลูเข็มมีหน้าที่แทนแทงเข้าไปค่อยๆแทงไปหาลูหาช่องหามุม แล้วค่อยแทงไปวันนึงมันวบแทงได้ใช่ั้น เ, เข้าไปได้แล้วลองแทงใหม่เอาไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยเรียกว่ามันไม่ไมเป็นวสีมันยังไม่ชำนานก็ต้องฝึกฝึกอีกเราเคยเห็นคนแทงไหม เขาชำนาญเนี่ยเบุ๊บแทงเข้าบุ๊บแทงเข้าเลยแทงกีทีก็เข้าแต่เขาต้องชำนาญมากฝึกมามากดังนั้นเราเวลาเราโดนความอยากความหวังครอบงำจิตใจสอนตัวเองมีหน้าที่แทงเข็มเฉย แทนได้เข้าเข็มเฉยๆมีชันหน้าที่แทงได้ทําหน้าที่นั้นหรือยังถ้าทําแล้วโอเคแล้วพอแล้วพอใจแล้วได้ทําหน้าที่แล้วแต่ระว่างแทงนั้นน่ยมันก็มีสติมีปัญญาที่จะดูที่จะมุมไหนยังไง ได้เห็นได้เรียนรู้เนี่ยระหว่างที่ทำหน้าที่แทงเนี่ยมันไม่ได้แทงซื้อบือ้อซื้อบื้อไปเรื่อยไม่ใช่มันก็เรียนรู้การแทงแทงยังไงเอ๊ยยังไงดีเอ๊ยยังไงดีเนี่ยมันเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการแทงไม่ใช่ว่าบอกมีท่าที่แทงก็แทงซื้อบือ้อเหมือนกับปั้นทุบดินอย่างนั้นไม่ใช่เนี่ยฝึกไป การฝึกนี้ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบอย่างเดียวนอกรูปแบบที่บอกตื่นมาปุ๊บดูใจเราก่อนเป็นไงจิตใจเป็นไงนี่ฝึกให้มันเป็นนิสัยไม่ใชตื่นมาปุ๊บคิดเลยไปไหนดีว่ากูวันนี้ทำอะไรดีวนันนี้กินอะไรดีวันนี้มันนิสัยเดิมเป็นแบบนั้น ฝึกวิสัยใหม่ฝึกความเคยชินใหม่เเรียกว่าการปฏิบัติธรรมคือทวนทวนความเคยชินเก่าๆแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนโอ้ยยังทวนได้ไม่ดีพอยังหลงไปยังติดอารมณ์ติดความคิดนับอายุเราอาชาตินี้พอกับเพิ่งเริ่มฝึกได้กี่วันกี่เดือนกี่ปี จะน้อยใจท้อใจทำไมหลงมาตั้งเท่าไหร่แค่เริ่มทวนได้ก็ถือว่าหน้าดีใจแล้วที่เหลือมันก็แค่การให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปรวมความคือไม่ประมาท ในทุกผัสสะที่เข้ามากระทบในทุกอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวไม่ว่าอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเรียกว่าไม่ลืมน่ไม่ลืมที่จะรู้สึกอยู่ในกายในใจนี้ อย่าลืมใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลับมารู้สึกใจใจเป็นยังไงก็ต้องรู้ที่เรียกว่าได้ใจเนี่ยได้ทําคือแบบนี้ถ้าได้ใจนยมันได้หมดทุกอย่างความรู้สึกตัวความรู้เนื้ลตัวมันก็ได้ด้วยได้หมดจริงๆ ก็ต้ออย่าลืมใจเกิดอะไรขึ้นกลับมาดูใจเราเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงก็ได้รู้อยู่ปุ๊บไม่ติดนี่แหละแบบนี้ไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความคิดนี่แหละจิตที่มันตั้งมั่นบางทีเนี่ยทุกอิลีาบทเนี่ยทุกความเคลื่อนไหวของกายของจิตเนี่ย รู้ปุ๊บต้องกลับมาดูใจเป็นยังไงไม่งั้นมันจะล่องลอยจาอาไว้ถ้าแค่รู้ปุ๊บแล้วไม่กลับมาดูใจเนี่ยมันจะล่องอลอยล่องลอยไปตามความคิดเมื่อคี้นี้บ้าล่องลอยไปตามเวทนาเมื่อคี้นี้บ้าเพราะงตรงนี้สําคัญต้องทํากิริยากลับมาดูใจ มันจะได้ขาดจากไอ้ขณะเมื่อกี้เหมือนเรานั่งนั่งท้องร้องท้องร้องโอ้หิวโอ้กี่งงแล้วโอ้ดี๋ยวจะไปกินที่ไหนดีโอ้ถ้าไปกินไกลเดี๋ยวจะหิวมากไม่พอใจ แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติทอ้องร้องปุ๊บเห็นอาการทอ้องร้องออโลกรกคาดดูใจเป็นยไงปกติไม่มีอะไรผ่านไปไม่ติดเนี่ยก็ฝึกแค่นี้เองถ้ามันจะเกิดทอ้องร้อง อ, อีก จักเริ่มไม่พอใจเห็นความไม่พอใจนะความไม่พอใจเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเมื่อกี้ปกติดีนี่กิเลส ก, กำลังหลอกกำลังครอบงมแล้วไม่ตามไปไม่เชื่อมันไม่เป็นธาตุมัน เท่านั้นแหละมันก็หายไปบางทีกิเลสมาเป็นเรื่องใหญ่หน่อยเกิดความอื่นๆขึ้นมันแหม่เศร้าหมองมั น, ม, น, ม, น, ม, น, ม, นมีความคุณเคืองอื่นๆอยู่ไม่ดับไปสักที หน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือไม่เข้าไปในนั้นไม่เข้าไปในอารมณ์นั้นรู้เนื้อรู้ตัวไว้แล้วเดียวมันก็ผ่านไป รู้เนื้อรู้ตัวไว้ทำกิจกรรมอื่นของเราไปการบ้านการงานอาบน้ำซักผ้าถูบ้านกินข้าวไปทำเรือมันก็ผ่านไปหายไปเพราะเหตุมันหมดเนี่ยเดินนี้ปานาแล้วง่ายๆได้ขัมติบารมีความอดทนอดทนหน่อย อย่าให้อารมณ์มันหลอกเราอย่าให้อารมณ์มันกลืนกินเราเข้าไปจำไว้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาไม่ว่าสุขหรือทุกข์ล้วนเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาทั้งนั้นไม่ติดหมดทั้งสุขทั้งทุกข์พอไม่ติดหมดชีวิตเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไง โปร่งโล่งเบาเนเห็นไหมโปร่งโล่งเบาที่แท้จริงไม่ใช่ไปทํามันขึ้นมามันเป็นผลจากการที่ว่าจิตใจไม่ติดกับอะไรพอไม่ติดกับอะไรมันก็โปร่งโล่งเบาสิเป็นผลมันเป็นโปร่งโล่งเบาแบบไหนแบบปกติ ไม่ใช่แบบความสุขถ้าโปร่งลงเบาเป็นความสุขไปนังไงโอ๋อวันนี้ปฏิบัติดีจังเลยอ้สบายจังเลยโอ้ไปบอกชาวบ้านนะเออเดี๋ยวนี้ปฏิบัติดีสบายมีความสุขนเนี่ยนะอินละอินละไม่รู้เรื่องโดนความสุขครอบเข้าไปแล้วไม่รู้เรื่อง นี่มันพลิกง่ายๆสัญญาอะไรเกิดขึ้นมาในใจรู้ทันรู้ทันตุ๊บกลับมาดูใจปไปยังปกติไหมอ๋อปกติอยู่ผิดปกติหน่อยรู้อ๋อผิดปกติหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นตัวเบรกเรา ไม่ให้เราหลุดเข้าไปในความคิดหรือสัญญานั้นๆเบรกเราช็อตหนึ่งเราเบรกไปช็อตหนึ่งพกมันขาดไปขาดไปถ้ายิงเห็นเร็วเหตุมันน้อยมันก็หมดไปเลยมันไม่มีแรงดึงดูดให้เราไปคิดอีก เราก็มารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกอิริยาบทใหญ่ย่อยต่อคืออยู่ในนี้ไม่เกินกายใจนี้ออกไปการปฏิบัติธรรมคือไม่เกินกายใจนี้ออกไปไม่เข้าไหนไม่ออกนอกไม่เกินกายใจนี้ออกไป ปฏิบัตธิธรรมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเป็นเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามีความลื่นเลงในธรรมความลื่นเลงอันนี้ก็คือคือความเบิกบาน es, บาน่ยคือที่ว่ารู้ตื่นเบิกบานน่ยมันเบิกบานเบิกบานที่จะได้เรียนรู้อยู่ในกายในใจเนี่ยไม่เกินกายใจนี้ออกไป ภาษาง่ายๆก็มีความสุขจากการที่ได้รู้ทันกิเลสรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วก็ไม่ติดกับมันพูดภาษาเรียกได้แค่ว่าเป็นความสุขแต่มันไม่ใช่ความสุขแบบนั้นหรอกครูบาอาจารย์ท่านก็เลยว่าเออปฏิบัติธรรมแล้วมันจะมีความสนุก มีความยินดีพอใจที่ได้ปฏิบัติได้เห็นได้อะไรอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ความสุขหรือความยินดีพอใจแบบโลกๆแต่ไม่รู้ใช้คำพูดอะไรดีความสุขจากการสนองความอยากได้ ความสุขจากการประจักษ์แจ้งความจริงคนละยาดเรียกความสุขเหมือนกันแต่เป็นคนละยาดความสุขในโลกถูกบีบคั้นขับดันให้ได้มาซึ่งความสุขนึงความสุขทางธรรมไม่มีอะไรบีบคั้น เราค่อยๆฝึกทำหน้าที่สนได้เข้าเข็มต้องคิดออกว่าเขาใชเข้ามาสนได้เข้าเข็มโม่แต่แทงอู่เนี่ยตังเจตใจเมื่อทีนนี้ก็มีความสุขเนี่ยพูดตลกหน่อยแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็ปกติแล้ว หเห็นหเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเราเรียนรู้อยู่มันเรียนรู้อยู่ไม่เกินกายกับใจนี้ความสุขก็เป็นของอยู่ไม่นานเอาไว้ไม่ได้เราจะหาความสุขในการใช้ชีวิตเรากำลังโดนหลอก ความจริงคือความไม่ทุกข์ไม่ใช่ความสุขแต่ก็ต้องอาศัยทุกข์เพื่อจะถึงความไม่ทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ก็จะไม่มีมุมมองไม่มีปัญญาที่ฉลาดพอที่จะถึงความไม่ทุกข์ ความไม่ทุกข์มันอยู่ในความทุกข์ความสุขเป็นสิ่งที่หลอกเราว่าเราดีแล้วใช้ได้แล้วสบายแล้วนี่เป็นหน้าที่ของกิเลสใครเชื่อก็งโง่ ถ้าเรายังไม่เห็นจริงไปตัวเองว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ล้นลวนก็เชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนถ้าเราต้องการจะทำตามพระพุทธเจ้าลองเชื่อท่านไปก่อนท่านบอกว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ล้นวน เราพิสูจน์ด้วยตัวเองถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆแปลว่ามาถูกทางแล้วไม่ใช่จมทุกข์เสียงมาความคิดก็เกิดสัญญาก็เกิดรู้ทันรู้ทันปุ๊บกลับมารูใจไปเไยอย่ า, ยาประมาท ว่าอเออปกติแล้วดูวมันละเอียดเป็นไงไม่มีอะไรปกติสำคัญไม่ใช่จิตใจในี้ปกติหรือไม่มีอะไรสำคัญคือได้กลับมาได้ทำหน้าที่เพราะนันฝึกปฏิบัติทมเข้าใจให้ถูก ว่าเรากำลังฝึกอะไรเราต้องการทำหน้าที่แบบไหนไม่ได้ฝึกเอาสงบเงียบสบายไม่ได้ฝึกเอาแบบนั้นการฝึกปฏิบัติธรรมคือการรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้เท่าที่รู้ได้ รู้เท่าทันมันไม่ติดกับมันการไม่ติดกับอารมณ์หรือความคิดใดๆถือเป็นกิริยาอะไรกิริยาเหนือกระแส เราทวนกระแสจนอยู่เหนือกระแสเหนือหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ในโลกอยู่ในสังคมไม่กค่ท่งสังคมว่านักปฏิบัติธรรมเราจะไปคาดหวังให้ทุกคนดีหมด จดไม่ได้เพราะทุกคนยังเต็มไปด้วยกิเลสเหมือนกันทุกคนก็พร้อมจะประมาทพลาดพลั้งจะทำไม่ดีได้หน้าที่เราไม่ใช่ติดกับการกระทำความคิดของคนเหล่านั้นหน้าที่เราคือรู้เท่าทันเมื่อเกิดผัสสะเกิดขึ้น ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่ติดกับอารมณ์หรือความคิดที่จะลากเราไปเราไม่ต้องถามว่าทำไมทำไมเขาคิดกับเราอย่างนั้นทำไมเขาพูดกับเราอย่างนั้นทำไมเขาเข้าใจผิดเราแบบนั้นไม่ต้องไม่มีประโยชน์เรามีหน้าที่ไม่ทุกนี่คือหน้าที่เรา เรามีหน้าที่ไม่ติดกับความบ้าคลั่งของคนเหล่านั้นถ้าเราติดเราจะเป็นคนบ้าอีกคนหนึ่งหลวงพ่อนี่เคยบอกถ้ามีคนมาเข้าใจผิดเราพูดไม่ดีทำไม่ดี คิดไม่ดีเราไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรกับคนพวกนั้นในทางกลับกันคนพวกนั้นมีหน้าที่จะต้องรีบไปปฏิบัติธรรมให้มากกว่านี้แล้ววันหนึ่งจะเข้าใจต้องเข้าใจเอง ไม่ใช่เราต้องไปทำอะไรเพราะถ้าจิตใจยังไม่ฉลาดพอก็เข้าใจอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครทำอะไรที่เรารู้สึกว่า ทำไมทำแบบนี้เรามีหน้าที่ไม่ต้องสนใจแต่ใจหนึ่งก็ให้โอกาสเขาให้โอกาสให้เขาได้ปฏิบัติธรรมให้มากกว่านี้พอจิตใจมันขาวสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นเข้าใจเองว่าอะไรถูกอะไรผิด เข้าใจการกระทาที่ผ่านมาเข้าใจกรรมมันจะเข้าใจเองคือพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันรู้จักอะไรเป็นอะไรรู้อดีตทำอะไรผลเป็นยังไง รู้ว่าปัจจุบันนิทาทำอย่างนี้อนาคตจะเป็นยังไงคือเขาเรียกว่ารู้อดีตรู้อนาคตคือรู้แบบนี้พอปฏิบัติแล้วจเจริญแล้วจิตใจรู้จักเขาเรียกว่ารู้ผิดชอบชั่วดีรู้จักเหตุปัจจัย รู้จักกรรมรู้จักผลของกรรมรู้หมดรู้จักเบื้องต้นเบื้องปลายเงียบเงียบไปแบบนี้กลับมาดูใจตัวเองไม่ใช่ปล่อย ไม่ใช่รู้นรู้ตัวแล้วพอแล้วไม่ใช่กลับมาดูใจตัวเองด้วยอย่าลืมหน้าที่แล้วเราก็ทำแบบนี้แหละทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเราจำเป็นต้อง ดูโทรศัพท์อ่านไลน์อ่านไปก็ดูใจไปไม่ใช่ลืมออกไปข้างนอกอยู่ในไลน์หมดเพราะนั้นย่นย่อการปฏิบัติลงมาเหลือคำเดียวคือว่าไม่ลืม ไม่ลืมที่จะรู้สึกกายไม่ลืมที่จะรู้สึกใจไม่ลืมที่จะทำหน้าที่นี้เรายวผลอะไรอะไรอะไรถ้ามันเต็มมันอิน ม, มันพอมันก็ค่อยเกิดขึ้นเองตามลำดับไป อดทนให้ได้อดทนที่จะไม่ลืมแค่นั้นอดทนที่จะทำเรื่องซ้ำๆซากๆแบบนี้อดทนที่จะไม่มีอะไรทํามากกว่านี้อดทนที่จะ ไม่ได้เห็นอะไรลึกลับซับซ้อนลูล้าอลังการแบบที่เวลาไปฟังนักปฏิบัติคนอื่นเขา อ, อาจจะเห็นนู่นเห็นนี่เราไม่มีอดทนทำเรื่องเรียบๆง่ายๆแบบนี้ไปเรื่อยๆ